ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเป็นเครื่องเตือนสติเราท่านทั้งหลาย และเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาไปด้วยในตัวการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิธคำว่านั่งขาดสมาธิธนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงตั้งตัวให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาไม่ต้องลืนตาดูอะไรทางนั้นเวลานี้เป็นเวลาดูใจเป็นเวลาปฏิบัติเอาจิตใจของตนให้มีความสงบระงับเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ระลึกถึงคุณประพฤติเก้าคุณพระธรรมคุณประสงค์ทั้งสามประการนี้แหละเป็นหลักแก้วของประพุทธศาสนาเมื่อเราระลึกถึงประพุทิธรรมประสงค์แล้วก็ให้ย่นย่อคําว่าพระพฤติ ธ, ธรรมประสงค์นั้นมาลงในคําว่าพุโทโธพุธโทโธพุท ธ, ธนี้เป็นภาษาบาลี เมื่อแปลเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ก่อนที่ท่านจะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั่นท่านมีความตั้งใจอันใหญ่หลวงเมื่อท่านเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการทําบุญสุนทานลักษาศีลภาวนาจึงได้ตั้งความมุ่งหมายอันใหญ่ยิ่งไว้ว่า ข้าพระเจ้าจะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีสิบบารมีสาสิทััส์ให้เต็มบริบูรณ์เพื่อจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะได้โปรดสัตว์ลือขนสัตว์ช่วยมนุษย์และเทวดาอินทร์ลมทั้งหลาย ให้ไปถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดมาตายในโลกอันแสนธุรกันดาร น, นี้อีกต่อไปเมื่อท่านตั้งสัตว์อธิษฐานใจลงไปอย่างนั้นแล้วท่านก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรก็ตามจิต ใจของท่านนั้นชื่วตั้งมั่นอยู่ในฐานศีลภาวนาตลอดมาจนแกกล้าสามารถได้มาตรัสรู้ที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุโทโธนี่แหละแล้วก็ให้นึกคำว่าพุโทโธคำเดียวนี่แหละนึกในใจไม่ต้องออกปากเมื่อเรานึกอยู่พุโทโธพุธโทโธก็ให้รวมจิตใจเข้ามาในคำว่าพุโทโธนั้น ที่ผู้นึกผุดโธก็คือจิตใจของเรานี่เองคนเราคนหนึ่งนั้นมีจิตใจอยู่ดวงเดียวคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่นี่แหละมาครองอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้จึงได้พาร่างกายสังขารอันนี้รู ป, ปขั้นอันนี้ยืนเดินนั่งนอนไปมาในที่ทางตู้ง มีจิตใจพาไปพาอยู่พาลํำลึกอยู่ในพุทโธก็จิตใจอะไรทุกอย่างในตัวคนเรานี่ท่านว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้ว้วยดวงจิตดวงใจอันนี้ท้งนั้นคนเราจะทำบาปยากชาทาลุนก็ใจมันยากช า, าลุนเป็นมหาโจรในโลกก็คือใจนั่นแหละมันพาทำ เป็นพระพุทธเจ้ากระทำพระสงค์กดใจนั่นแหละเราจะบำเพ็ญภาวนาได้กดใจนี่แหละคำว่าจิตใจนี้ไม่ต้องหาเป็นรูปร่างสีสันฐานเหมือนตัวคนใจไม่มีเพศหญิงเพศชายจิตใจนี้มีความรู้สึกอยู่ในตัวตลอดเวลาเมื่อท่านจัดในขันห้ารูปหมายถึงตัวเราทุกคนนี่แหละ สองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้ให้ชื่อว่าลูกประขันส่วนานามประคันจิตใจนั้นมีทำงานอยู่สี่อาการเวทนาสเสวยสุขสเสวยทุกข์รับเอาสุขทุกข์นันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารนี่อยู่ตลอดเวลาดูแต่ว่าเวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบายหรือเป็นบาดแผลอย่างที่ใดที่หนึ่งในร่างกายก็บ่นว่าเราไม่สบายเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็จิตนั่นแหละมันมายึดถือความจริงดวงจิตนั้นมันไม่มีเจ็บอะไรเพราะว่าจิตจริงๆนั้นมันมีเวทนาสัญญาสังขารยิน ญ, ญาตรวมแล้วก็คือจิตผู้รู้นี่แหละ เมื่อจิตผู้รู้ในคิดออกไปภายนอกก็ให้ชื่อว่าสังขารตรงแต่งคิดนึกดิ้นลนไปตามกิเลสในโลกนี้ก็คือจิตใจนี่แหละมันดิ้นลนวุ่นวายไปท่านจึงให้รวมเอาจิตใจดวงนี้มานึกมาน้อมมาเจริญอยู่ในคำว่าพุทโธในใจ พุทโธในใจนี่คือว่ารวมใจเรามาอยู่ในตัวในใจโดยเฉพาะที่เรานั่งฟังธรรมอยู่ก็ไม่ให้จิตใจเราคิดไปภายนอกให้ใจรับรู้รับเห็นอยู่ในเวลาการได้ยินได้ฟังนี้ในขณะเดียวก็ให้รวมจิตเข้ามาอย่าคิดไปภายนอกเมื่อจะคิดไปตรงไปแต่งไปก็เท่านั้นแหละ เพราะว่าสังขารมารกิเลสมารี่เลตตัณหาในจิตใจที่มันแสียายลุ่มหลงไปตามโลกูกเสียงกลิ่นรสโสทภะธรรมารมนั้นไม่มีที่จบที่สิ้นไม่มีที่อิ่มที่พอพระพุท ธ, เ, ธเจ้าทรงตัดไว้ว่านาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีอันความอยากความต้องการในจิตใจมนุษย์ ปรงแต่งไปตามสังขารวิญญาณนั้นไม่มีที่จบที่สิ้นดิ้นดนวุ่นวายอยู่อย่างนี้เองเมื่อมาถึงเวลานั่งกรรมฐ า, านภาวนานั่งบริกรรมก็ให้รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในทำว่ารวมจิตใจก็คือว่าตัดกระแสอาการภายนอกออกไป ทำความรู้สึกอยู่ในตัวปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอบคือตัวเราท่านตั้งหลายนี่แหละปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอบเข้าไปนี่แหละเป็นที่อยู่อาศัยของจิตใจแต่ว่ารูปร่างกายนี่ไม่ใส่จิตใจแต่เป็นที่อยู่อาศัยเหมือนคนเราเกิดมาในโลกนี้อยู่อาศัยบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่กำบังก้องกันภัยอันตรายตัวคนเราเนี่ยนั่นเวลาแดดออกฝนตกลมพัดภัยอันตรายใดๆจะบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารนี่ก็หลบเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนกุฏิวิหารที่พักอาศัยก็ปลอดภัยไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายนะัก ร่างกายสังขารของเรานี่ก็คล้ายกันกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนเราภายนอกจิตมาอาศัยมายึดเอาถือเอารูปประคันร่างกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่อยู่ภายในก่อนที่จะได้รูปประคันอันนี้มาทุกคนที่ มาเกิดนี้ต้องไปปฏิสนธิวิญญาณ น, นอนในคันมารดาในท้องแม่ต้องเก้าเดือนสิเดือนจึงได้คลอดได้เกิดมาเกิดมาก็ไม่ใช่ว่ามันจะใหญ่โตรวดเร็วไปมาได้หรือว่าใหญ่เหมือนเราที่เป็นอยู่นี่ไม่ได้ มนุษย์คนเรานั้นถ้าเพียงแต่ว่าเกิดมาอย่างเดียวไม่มีบิดามารดาผู้บังเกิดก้าช่วยดูแลรักษาให้ตายมนุษย์คนเราไม่เหมือนสัตว์สิงเดรสานบางจำพวกสัตว์สิงเดรสานบางจำพวกนั้นพอเกิดมาหากินเองใหญ่โตไปได้แต่มนุษย์เราหาเป็นเช่นนั้นไม่ เกิดมาแล้วต้องมีผู้ดูแลรักษาถ้าไม่มีผู้ดูแลรักษาตายทุกลายไปไม่มีเหลือที่เรามีชีวิตมาจนถึงวันนี้บิดามารดาที่เลี้ยงนางนมผู้ดูแลรักษามาจึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาให้น้ำให้อาหารแล้วชีวิตก็ต่อเนื่องกันมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งใหญ่โต อายุ10ปีกว่าหรือว่ายี่13 0ปีเลี้ยงตัวเองได้แล้วอิดามันดาก็ไม่ต้องเกี่ยวเลี้ยงตัวเองทำมาหาเลี้ยงชีพไปตามเรื่องอันนี้คือว่าโรูประหันร่างกายร่างสังขารอันนี้จะต้องจิงอาศัยสิ่งต่างๆจึงเป็นมาเป็นมาได้จนถึงเวลานี้ เมื่อมาถึงเวลาการปฏิบัติบูชาภาวนาเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจคําว่าพุทโธพุทโธนี่เป็นจุดหนึ่งที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องรวมกําลังจิตใจเข้ามาตั้งภายในดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในนี้ให้ได้จิตใจนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันณนะเหมือน คนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีใครจะดูโดยวิธีใดก็ไม่มีรูปร่างสีสันฐานแต่มันมีกําลังจิตใจนี้เวลามันคิดทาบุญก็เป็นบุญไปมันคิดทาบาปก็เป็นบาปไปต่างแต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันสิงใดเป็นบาปก็ไม่คิดไม่พูดไม่ทําไปตามเรื่องบาปก็ไม่เกิดขึ้นเรามา จเจริญภาวนาสงบจิตสงบใจก็ให้จิตใจเราเย็นสบายโยนคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธหมายถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติบังเกิดในโลกนี้มาหลายพันปีแล้วเราท่านทั้งหลายเพิ่งมาเกิดในภพนี้ชาตินี้ยังไม่ถึงร่อยปี เราได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนกันมาโดยลำดับจนมาถึงเราท่านทั้งหลายก็ยังรู้จักว่าพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มี เราได้ศึกษาฟังมาตั้งแต่เกิดมาก็ได้ยินเสียงเหล่านี้ว่าทานการให้การบริจาคินทาเว้นจากข่าทรัพยรักทรัพย์ประพฤติผิดในกรามกล่าวโมสาวา่าดื่มกินสุลาเมรัยอันนี้เป็นศินทาหรือว่าโทษห้าอย่างผู้ใดรักษาได้ไม่ไปทำโทษห้าอย่างนี้เว้นภัยก็ไม่มี ผู้มีศีลอยู่ที่ไหนก็เย็นอกเย็นใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายถ้าคนเราไม่มีศีลหลักศีลห้านี้ไม่มีในตัวไม่มีในใจเป็นมหาโจรธรรมดามหาโจรหรือคนขี้รักขี้ขโมยพุ่นขี้ข่าเจ้าเอาของนั้นไปอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นมนุษย์ก็ไม่ไว้วางใจเพราะว่าคนคนนั้นไม่มีศีลห้าประการ เม <clicking> ื่อไม่มีศีลห้าประการมันยักค่าจักฟันจะทำร้ายลักขโมยสิ่งของของบุคคลผู้ใดมันก็ทำไปตามอำนาจของจิตใจร้ายของมันไปโยที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นใครก็ไม่ไว้วางใจคือคนทำบาปใจของเราที่คิดไปในบาปอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรคนโน่นคนนี้คนที่เราเกลียดตังก็อย่าให้เขาตาย คนที่เล่ารักชอบคอพอใจก็จะให้เขาอยู่ในโลกนี้นานแสนนานอันนี้เป็นธรรมดาจิตใจไม่ได้ภาวนาในทางพุทธศาสนากีแลธรรมดามันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของบุคคลผู้ใดนั้นมันไม่หัวใจของบุคคลผู้นั้นจนเป็นเท่าเป็นฐานไป เมื่อไหมในใจของตนเองแล้วก็ออกมาไหมภายนอกบุคคลผู้อื่นก็ตามไปไหมทำความเดือดร้อนให้ทุกอย่างทุกเรืการเมื่อเรามาภาว น, นาเราลึกถึงคณพระพุทธเจ้าเมื่อเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้ า, า, ลาลคาำว่าพุทโธพุทโธพ ร, ระพุทธเจ้าอยู่ในใจนี้เราจะได้ฝึกหัดตาม พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้บำเพ็ญบารมีสิทธิการคือการทำบุญให้ทานนั่นเองการทำบุญให้ทานของพระพุทธเจ้านั่นเมื่อท่านยังไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าทำมากมายหลวงหลายจนกระทั่งไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติที่มาเกิดในโลกนี้กเกิดมาชาติใดก็ทำบุญให้ทานตลอดมา ไม่มีความทอดถอยในการให้การบริจาคนิสัยใจคอของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเตรียมไปด้วยบุญกุศลไม่ว่าใครจะเอาอะไรสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่ยอมเสียสละให้ทั้งนั้นแม้กระทั่งชีวิตก็เสียสละให้เสือกินได้ แสดงว่าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเหล่านั้นการให้การบริจาคนี่เรียกว่าเหลือเหลือเกิดจะเห็นได้ขั้งสุดท้ายที่พระองค์บำเพ็ญทานบาลาีให้เต็มที่เกิดมาขั้งสุดท้ายนั้นเรียกว่าเป็นพระเวสสันดรชาดก สร้งแต่เกิดมาแต่ท่านเกิดในตระกูลข้าวพญามาหากษศัตร์เป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองมีวัตถุเข้าของบริษัทบริวารเต็มแผ่นดินท่านก็ทำบุญให้ทานมีอะไรก็แจกจ่ายจือจานให้แก่มนุษย์ไม่มีตรณีเหนียวแน่นผูกพันอยู่ในใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง จนกระทั่งทานไปทานไปจนไปถึงทานช่างเปือกเมื่อทานช้างเปือกงานนินเป็นท่างที่มีบุญบารมีไปอยู่บ้านใดเมืองใดก็พาให้ฝ่าผลชนราคาตกลงมาท้ายกันกับปีนี้ฝนมันตกทางกรุงเทพมากอย่างนั้นแหละช่างเปือกไปตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ตกจนท่วมไปหมด ที่ไหนมันแห้งแล้งเขาก็มาขอเอาช่างเปือกหนีไปก็เกิดปฏิกิริยาแก่ประชาชนชาวเมืองว่าไม่ไหวแล้วเวทสันดร น, นี่ต้องขับไล่สส่งทานอะไรอะไรก็ทานได้แต่ไปทานช่างเปือกต่อไปพวกเราทั้งหลายก็จะไม่ได้มีน้ำมาทำไล่ทำนาฝนไม่ตกจึงได้ขับไล่เวสสันดรทาาดเนี่ยว่าเดินกระบวน กระโนเดินกระโนมาถึงพระราชวังให้พระเจ้าสมใจขับไล่พระองค์ก็ <c oughs> ไม่มีทางที่จะต่อสู้ประชาชนได้จึงได้ขับไล่เวสันดรสานดกให้ออกจากเมืองพระราชวังไปทีแรกก็ให้ลดให้ลดมาพาไป เทนีพอออกจากเมืองไปไม่มากนะัดก็มีพวกมาขอขอรถมา้าขอมา้าก็ทานให้เทนีมีลูกน้อยอยู่สองคนกันหาชาลียังเล็กอยู่สองสามีภรรยาก็อุ้มลูกคนละคนเดินไปมุ่งหน้าไปเข้าไปในป่าในเขาในเขาคีรีวงกฎ ค่ายคกันกับถ้ำผาปล่องนี่แหละมันเข้ามาในภูเขาพอเข้าไปถึงนั้นก็มีผู้ผู้คนสมัยก่อนเขาไปสร้างไปทำบารรณาศาลาคือว่าปลูกเป็นศาลาไว้ในถ้มในป่านั้นในเขาคีรีวงกฎนั้นก็เลยไปจำศีลภาวนาอยู่ที่นั้นนางมัตถีก็หาหัวไม่ลูกมันมา เรียงกันเทนี้อิตาชูชกอ่าชูชกนี่ได้มีสาวแล้วก็เมีสาวก็อยากได้กันหาสาลีได้ข่าวว่าลูกน้อยเอามาเป็นคนใช้ให้ให้ผัวแก่แกมาขอจากเวชชันดร อ, อิตาชูชกเวชชันดรก็ฝืนใจผู้หญิงไม่ได้ ฝุนยาเมียสาวไม่ได้ก็มาภายถงยญ้ามมาตามเรื่องจึงมาถึงที่เวันดอนบำเพ็ญศีลอยู่ภาวนาพุโทโธอยู่แล้วก็มาขอกันหาชาลีลูกน้อยแต่ว่าตาพรมชูชกนั้นก็อตลาด เวลา <c oughs> ตอนเช้านางมัทีแจ้งแล้วก็ไปหาลูกไม้หัวมันมาเที่ยงกันในป่านั่นมันมีตอนนางมัทีไม่อยู่ก็มาขอแกรู้ว่าถ้านางมัทีอยู่แ ก, กไม่ให้เอาเวลาเวชสันดอนอยู่อนองค์เดียวมาขอเวลานั้นเวชสันดรก็สลักทานให้ ให้ชูชกคนเข้าคนเข้าได้เมสาวทีนี้ตาสูชกก็มัดเชือกเอากันหาสลีจูงไปในป่าในยังเพื่อออกไปสู่เมืองของตนเองแต่มีเทวดาบันดาลให้ตาสูชกหลงทางเข้าไปเมืองสนใสเมืองของเวสันดอน์าดกนั่นเอง ที่นี่ไะเจ้าปูไะเจ้าตาก็เห็นเขาก็ไทยเอากันหาสลีคืนมาแล้วก็เลี้ยงดูรักษาอิตาชูชกเต็มที่เมื่อไทยเอาแล้วก็อิตาชูชกนั้นก็ขีโลคเห็นเขาเลี้ยงใหญ่แล้วก็กินละบ้านเนี่ยเอาให้อิ่น้ำสำราน เก็ดขาหมูเข้ามาใส่เก็ดขาไก่เข้ามาลีลันลีลันขาหมูมันวามเผ่ายิ่งมักปากปาครับอาภาทามเลี้ยวคุมหูเวลามันอาปากกินกินจนอิ่มจนเต็มท้องไม่ย่อยละอาหารไม่ย่อยคืนนั้นเกิดท้องอืดเลยตายตายแล้วก็ประกาศหาว่า ใครเป็นญาติพี่น้องของชูชกนี้ก็ไม่มีเพราะว่าอยู่คนละเมืองผลที่สุดทรัพย์ที่ถ่ายหลานทั้งสองก็กลับเป็นสมบัติของแผ่นดินตามเคยอิตาชูชกก็ตายไปแสดงว่าพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้ทาบุญให้ทานสา ม, มารถอ่านหนัลูกน้อยมีสองคนเท่านั้นแหละหญิงหนึ่งชายหนึ่งก็ทานได้ เมื่อท่านโลกน้อยแล้วก็เดือดร้อนถึงพญาอินทาธีลาบนสวรรค์เลงยานลงมาว่าทำไมแท่นทีลาอาจของเราจึงแข็งกระด้างตามธรรมดามันอ่อนนั่งแข็งก็เลงลงมาในโลกมนุษย์มาเอื้อเวทสันดรโพธิสัตย์ทำบุญทำทานจนกระทั่งโลกน้อยน้อยก็ทานได้ ยังเหลือนางมัทีคนเดียวถ้าเราไม่ไปช่วยก็จะเดือดร้อนงพญาอินทาทีราชก็ลงมาแปลงเพศเป็นชายหนุ่มมาขอนางมัทีเวชสันดรก็ยกให้เมื่อยกให้แล้วรับพรดีแล้วทีนี้พญาอินก็แสดงตัวให้ เวทสันดรรู้ว่าข้าพเจ้าไม่ใส่มนุษย์ไปใส่คนข้าพเจ้าเป็นเทวดาไม่ต้องการนางมาทีนี้ไปที่อื่นอยากจะให้อยู่ด้วยกันไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งมาขอไปทางอื่นถ้าขอไปทางอื่นเวทสันดรก็จะจำฉินอยู่ที่นี่ไม่ได้ใครจะหามาเยี่ยงดูรักษากันจึงขอมอบคืน ก็ตกลงมอกคืนนั่นสแสดงถึงว่าฐานบารามีของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านบำเพ็ญมานี่เสียสละได้ทุกอย่างทุกประการเวลาเรามาบวทเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนาแล้วก็ให้เลิกละอย่าไปหานางมัทีใหม่จงภาวนาทำใจให้สงบระงับไม่ต้องเอาอะไรแหละ เรามีกายวาจาจิตภาวนาพุทโธพุทโธอยู่บุญบันดาลในใจของเราจะได้ทุกอย่างทุกประการในสิ่งที่ไม่มีกิเลสอันหาจงภาวนาให้ดีจิตใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเราให้ได้เพราะว่าในตัวคนเรานี่ใจเป็นใหญ่เป็นประธานสําเร็จแล้วดวงจิตดวงใจทางนั้น ถ้าหากว่าเราภาวนาให้ดีพุทธโธให้อยู่ภายในไม่ใส่พุทธโธภายนอกเจตใจสงบลังับกายสงบวาจาสงบจิตสงบก็ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลทานศีลภาวนาก็มารวมอยู่ที่จิตใจสงบงระงับตั้งมั่นอยู่ดวงเดียวนี่แหละในที่นี้เมื่อใจสงบแล้วอะไรก็สงบหมดถ้าใจดีแล้วอะไรก็คอยดีไปตามด้วย ถ้าใจเย็นใจเย็นใจสบายแล้วอะไรก็พอยเย็นสบายไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในร่างกายก็ย่อมบรรเทาเบาบ า, บางไปเจ็บมากก็พอยเจ็บลดน้อยลงมาหรือไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นโชคเป็นบุญกุศลของเราจะได้บําเพ็ญภาวนาพุทโธในใจไม่ต้องไปกังวลด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าเข้าใจว่าเราภาวนาพุทธโธพุทธโธไม่ได้อะไรก็ได้พุทธโธนั่นแหละได้คุณพระพุทธเจ้าได้คุณพระธรรมได้คุณพระสงฆ์เมื่อเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธอยู่พระธรรมก็อยู่ที่นั่นเองพระอริยสงฆ์ตาว ก, ก็อยู่ที่นั่น ตัวเราผู้บนภาวานาพุทโธรละลึกอยู่นี้ถ้าเราภาวานาให้ดีตัวเราทุกคนใจเราทุกคนก็จะเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาไม่เลือกว่าครือหัดนักบสถ์ถ้าละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตนได้ละส ก, กายทิฏฐิวิจิจิตษาสีละพัตตะปลา ม, มาได้เด็ดขาดเจตใจของเราเมื่อคา ละได้กิเลสกองไหนกิเลสกองนั้นก็ไม่ทําความเดือดร้อนวุ่นวายให้ใจเราก็สบายกายเราก็สบายอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนไม่เลือกว่าหญิงว่าตายคาลือหักแยบันตาชิตผู้ใดเคารพนับถือพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมล่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ประการใดจึงจำเป็นจะต้องคั บัตรบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจเราท้อถอยคนเราเมื่อใจไม่ท้อแท้อ่อนแอนแล้วไม่ว่าจะวัยเด็กวัยหนุ่มวัยแก่วัยชราอย่างไรก็มีความสุขกายสบายใจตามหน้าที่ของตนทุกๆค น, นการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี่ไม่ต้องเลือกการเลือกเวลา แม้จะเป็นในพรรษาออกพรรษาหรือดูแรงหรือดูหนาวหรือดูฝนละดูนายก็ตามอันนั่นเป็นเรื่องของโลก และดูไหนวันไหนเวลาใดคืนใดถ้าจิตเรามีศรัทธาภาวนาพุทธโธรวมจิตรวมใจเข้าไปจนจิตใจสงบระงับได้แล้วท่านว่าเป็นต้นทางที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ยในวัตสงสาร แม่ผู้บำเพ็ญบารมีมากมายหลายอย่างก็ต้องการเอาจิตใจของตนของตนเท่านั้นเมื่อผู้ใดมาภาวนาเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมัน่นไม่หลงไหลไปตามอำ น, นาจกิเลความโกรธกีเลความโลภกิเลความหลงแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจ เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายสังขารถ้าหากว่าเราภาวนาทำใจให้ดีให้สงบลังับพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นยา คือว่าถ้าใจเราดีสบายมั่นคงอยู่ในคุณพระพระก็ย่อมคุ้มครองรักษาเมื่อพระคุ้มครองรักษาฉีนสมาธิปัญญาที่เราบําเพ็ญทานรักษาฉีนภาวนานี่แหละก็เป็นบุญเป็นกุศลช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ตัวเราทั้งตัวทั้งใจอันมีอยู่ภายในนี้มีความมุ่งมากตถาถนาอันใดอยู่ ในใจของตัวเองก็จะสำเร็จลุล่วงไปตามลำดับขั้นตอนที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติดีชอบนั่นจึงจำเป็นจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาให้ได้ทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้โดยเฉพาะคือว่าคืนหนึ่งๆก่อนที่เราจะหลับจะนอนไปนั้นเมื่อพ้นจากการงานต่างๆแล้ว ก็ให้กราบพระไหว้พระทมวัดสวดมนต์ได้อะไรอรหังนะโมพุทธังก็ไหว้ไปตามนั้นแหละเมื่อไหว้แล้วก็ทำความสงบระงับในจิตให้ชื่อว่าทำใจให้เป็นสมาธิภาวนานั่งขัดสมาดเรียบร้อยแล้วก็บริกรรมคำว่าพุทโธนี่แหละให้จิตใจมาสงบ ใจมาสงบประ ง, งับเย็นสบายอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อจิตใจเย็นสบายภาวนาได้ทุกคืนทุกคืนสบายเชี่ยก่อนจึงค่อยกราบพระไหว้พระจึงค่อยหลับค่อยนอนและให้ตั้งตัดอธิษฐานไว้ ว่าทุกทุกคืนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาทจะไม่นอนเฉยเฉยเราจะไหวพระสวดมนต์เช้กอกจึงค่อยนอนนอนโยเราก็ภาวนาพุทโธในใจเอาจนหลับหลับไปแล้วก็แล้วไปแต่ฝันไายฝันดีอย่างไรไม่เกี่ยวตื่นขึ้นมาก็ภาวนาพุทโธในใจต่อ ส่วนการนั่งสมาธิภาวนานั้นเอาไว้โอกาสระยะอย่างว่าก่อนจะหลับจะนอนมีเวลาว่างเราก็ น, นั่งให้ได้ทุกคืนส่วนภาวนาในใจนั้นไม่ต้องเลือกว่านั่งว่ายืนว่าเดินไปมาที่ไหนกนนึกถึงคุณพระพุท ธ, ธเจ้าพุทโธธรรมโมสังโคนี่แหละเป็นสรณะที่พึ่งอยู่ในดวงจิตดวงใจ เมื่อเรานึกได้เจริญได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าอันการภาวนานั้นให้นึกบ่อยๆนั่งก่อนนึกได้ยืนเดินไปมาธรรมดาก่อนนึกเจริญได้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเป็นการดีไม่ว่าภาวนาบทใดขอด้อใด ลมเข้าไปก็ให้นึกได้ว่าพุโทโธลมออกมาก็ให้นึกได้ว่าพุโทโธพูมานึกได้ยินเสียงพุโทโธก็คือใจเรานั่นเองใจนั้นมันมีอยู่ในร่างกายสังขารแต่ว่าสติปัญญาของเราเวลานี้มันยังอ่อนยังไม่รู้ไม่เข้าใจยังสติปัญญาน้ยก็เหมือนกังว่านมีใจก็ยังเหมือนกัะว่าไม่มี เพราะว่าสติปัญญานั้นยังอ่อนอยู่ยังช่อแท้อท่อนแออยู่ถ้าเราจะเลิญบ่อยๆภาวนาบ่อยๆจนจิตใจสงบระ ง, งับตั้งมั่นแล้วปัญญามันก็เกิดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนามันก็บังเกิดมีขึ้นในตัวในใจนั่นแหละไม่ได้มาจากที่อื่นท่านเปรียบอุปมาเหมือนว่าคมมีดคมขวานที่เราทําการงานอยู่ในโลกนี้ มันไม่ใช่มาจากที่อื่นมันมาจากที่เจ้าของมีดพ้าขวานนั้นรับฝนเมื่อรับฝนคมมันก็เกิดมีขึ้นเจตใจนี่แหละเมื่อเราภาวนาบ่อยๆไม่ปล่อยให้ความประมาทมัวเมามาทับถมดวงใจทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตั้งใจะระลึกโยในคณพระพุทธเจ้าจนจิตใจส ง, งบ อัานคำว่าจิตใจสงบกนันเราต้องทำไปบ่อยๆเนืองนิดติดต่อกันไปเมื่อสงบ ก, ก็จะรู้ได้เข้าใจใจสงบใจไม่คิดฟุ้งซ่านไปในกิเลสความโกรธความโลภความโหลกความดีใจเสียใจไม่ไปมารวมมาสงบอยู่ในตัวในใจ ใจ็ตใจดวงผู้โลโยที่ไหนเมื่อลวมมาโยในดวงใจแล้วจะรู้สึกว่าสบายไม่มีอะไรในใจก็สบายสิ่งภายนอกจะขาดตกบกพร่องไปก็ตามแต่ว่าใจถ้ามันสงบระงับแล้วก็สบายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเต็มที่ใจก็สบายได้เพราะว่าใจนี้มันเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายที่เรามองเห็นนี่ ร่างกายอันนี้เรียกว่ารูปปะขันรูประขันนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกัดะต่าไส้กุงน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเรานีอ่อันนี้ท่านให้ชื่อว่าธาตุกรรมฐานธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวคนธาตุน้ำก็เอาน้ำมาผสมกันปั้นกันมาอย่างนี้แหละ ธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นความร้อนธาตุลมได้แก่ลมหายใจเข้าออกเห็นได้ง่ายในตัวคนเรานี่ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่นี้ผสมกันอยู่มีกำลังเท่าๆกันก็ทรงมีชีวิตตั้งอยู่อย่างเราเป็นอยู่นี่แหล แต่ว่าจิตใจผู้โยอาศัยภายในนั้นไม่ใช่รูปร่างกายอันนี้รูปร่างกายนี้เป็นเรือนเป็นที่อยู่ของใจดวงจิตดวงใจได้แก่ผู้ฟังทำได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้นั่ น, นแหละมีโยที่นั้นถ้าเรารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมัน่นก็จะรู้ได้ในจิตใจของตนทุกๆคน อันนี้เป็นโอบายที่เราจะต้องประกอบกระทํำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวในใจของเราให้ได้ถ้าหากว่าเราประกอบกระทําให้จิตใจสงบหลังครับรวมเจตรวมใจของตนได้แล้วอะไรอะไรก็จะปรากฏการขึ้นมาให้เรารู้เราเห็นสิ่งที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้สิ่งที่ยังไม่เห็นก็จะได้เห็นยังไม่เข้าใจก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมา เพราะว่าธรรมยในสัตธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดไว้แปดหมื่นสี่พันมกัล น, นั้นเป็นความอัจรริยมีอยู่เต็มทุกข้อธรรม เราจึงต้องอาศัยการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมการงานใดๆก็ให้คิดถึงว่าการงานนั้นให้เป็นของดีไม่เป็นของเสียแล้วการงานก็เป็นไปเพื่อความเจริญแม่เราได้ทรับย์สินเงินทองมาด้วยการงานใดๆอันบริสุทธิ์ก็ย่อมเป็นไปเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเอง หน้าที่ของเราจิตใจของเราภายในก็ภาวนาพุโทโธอยู่ในใจไม่ให้ขาดแม้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปยึดไปถือการนึกภาวนาพุโทโธในใจให้มันได้อยู่เสมอๆ เ, เพราะว่าใจของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญถ้าผู้ใดมาปฏิบัติรักษาจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมกรรมฐานแล้ว ก็ยอมเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่ดีฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมปฏิบัติบูบชาภาวนาเพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิน้นไป เมื่อว่าเราท่านทางหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจวดกำ น, นำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการะชะนีสัพพิติโยวิวัตันตุสัพพโลโคหินัชโต มาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิคายยโกภาะอภิวาธานาชิริสนิจังวุทภาปจายิโนจตารโธรรมาวทันติอายุวันโนสุ ข, ขังภาปลังขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคราหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น นาโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งกรรมฐานนั่งอิปัสสนานั่งสมาธิการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาเทศการนั่งขาดสมาเทศนี้ไม่ยาก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 เราเป็นดูใจดูจิตใจของเราให้ลวมเข้ามานึกบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทโธ พุทธโธประพุทธเจ้านี่สำคัญกว่าสิ่งใดๆกว่าที่เราจะได้มาเรียกท่านว่าพุทธโธ ท, นะท่านตั้งใจบาเพ็ญทานบาเพ็ญทานมาสี่อสงไขยแสนมหากรจึงได้มาตรัสลูกเก่งประพุทธเจ้าคำว่าพุทธโธนี่ พระองค์รักษาศีลห้าศีลแปดมาโดยลำดับได้สีอสงไขยแสนมหาสัต์จึงได้คำว่าพุทธโธนี่มาพระองค์เนคขัมบาลามีหรือว่ารักษาศีลอุโบสถ มาสีอสงไขยแสนมหากัฐจึงได้คำว่าพุทธโธนี่ละองฝึกหัดจิตใจให้เกิดปัญญาให้มีปัญญาไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนโง่เขาเบาปัญญานานสี่อสงไขยแสนมหากัฐจึงได้มาคำว่าพุทธโธ ท, ที่เราภาวนานี้ แล้วพระองค์ก็บำเพ็ญวิริยะบารามีคือเป็นคนมีความภากความเทียนความพยายามทุกอย่างบำเพ็ญมาอย่างนั่นสีอสงไขยแสนมหากรจึงได้คําว่าพุทโธนี่พระองค์บำเพ็ญขันติบารามีขันติบารามีมาสีอสงไขยแสนมหากร จึงได้คําว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนาหนี้พระองค์บําเพ็ญสัจจะบา ร, รมีมาสีอสงไขยแสนมหากัรจึงได้คําว่าพุทโธพุทโธนี้พระองค์บําเพ็ญบารมีอธิษฐานบา ร, รมีมาสีอสงไขยแสนมหากัร จึงได้คําว่าพุโทโธพุธโทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บําเพ็ญเมตตาบา ร, รมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัตจึงได้คําว่าพุโทโธพุธโทโธนี้มาพระองค์บําเพ็ญอุเบกขาบา ร, รมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัต จึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกภาวนานี้คำว่าพุทโธจึงไม่ใช่ของเล็กน้อยบํมเพนมาสีอสงไข่แสนมหากับคำว่าพระสงไข่เรียกว่าจนนับไปไม่ได้แล้วยังเพิ่มว่าชีอสงไขแสนมหากัมอีก จึงไดนะ้รัดนี้ก็อย่างต่ำหรืออย่างได้ตรัสรัเร็วอย่างกลางพระพุท ธ, ธเจ้าสุดแท้แต่ว่าองค์ใดชอบขนาดไหนก็ตั้งใจเอาอย่างกลางนั่นเลย ว, ว่าแปดอสงไขแสนมหาศักดอย่างสุดท้ายคือว่า1ิบหกอสงไขกับแสนมหาักดิ์จึงได้คำว่าพุโทโธ พุทธนี้ประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้านี้เป็มที่สักการบูชาทั้งมนุษย์ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดาอินทรยมยักษ์ทั้งมวลขึ้นชื่อว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีผู้ใดดีวิเศษเกินพระพุทธเจ้าเกินพุทธโธไปได้ เวลาภาวนาโบราจณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงให้น้อมนึกอํมลึกเอาคุณพระพุท ธ, ธเจ้าคำว่าพุโทโธนี่มาสอนใจเวลาเรานึกพุโทโธก็ให้เพ่งดูฟังเสียงที่ว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็คือจิตเราเนี่แหละเป็นผู้นึกถึงเมื่อนึกถึงบริกรรมภาวนาอยู่เจ็ดเราให้มีสติ ไม่ให้คิดฝุ่งสานไปในที่ตลางๆให้จิตใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนให้ได้การบำเพ็ญภาวนานีก็มีครบท่วนทุกส่วนทุกประการจึงมาเป็นสมาธิภาวนาได้ ถ้าเราไม่ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาก่อนจะมันนั่งภาวนาพุโทโธมันก็เลื่อนลอยสิ่นทีจึงต้องมีการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญกุศลนั้นคือว่าทำทำดีทำความดี ไม่ว่าการกระทําใดๆเรียกว่าทําเป็นบุญทาให้มันดีไม่ว่าจะพูดจาปลาศัยอะไรก็เรียกว่าพูดดีพูดวาจาดีไม่ว่าจะคิดสิ่งใดๆก็ไม่คิดชั่วเหลวไหลไม่คิดอิจฉาพยาบาทบุคคลผู้หนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดคิดในใจก็ให้คิดภาวนาพุทโธนั่นแหละดี หรืออุบายอื่นใดก็ได้ทางนั้นแหละเมื่ออุบายนั้นยังจิตใจของเราทุกคนให้สงบระ ง, งับได้เกิดความสงบได้เกิดความสรดสังเวชมองเห็นชินทำกรรมาฐานได้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทางนั้นสมถะภาวนาทําใจให้สงบ ให้ใจมั่นใจตั้งมั่นไม่ให้ใจงอนแง่นคอนแคลนบ่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้ใจมาสงบแนว่วโยในคำว่าพุโทโธหรือบทใดบทหนึ่งที่เราเอามาภาวานาพิจารณานั่นแหละส่วนจิตสังขารจิตมานจิตกิเลสจิตตัณหามาณนะทิฏฐิให้เลิกละทิ้งให้หมด ไไม่ต้องเอามายึดถือรวมใจลงไปให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคาว่าพุโทโธหรือว่านึกอะไรก็ตามเอาให้เหมือนกระลมหายใจเข้าออกคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในเนื้อในตัวอยู่ในจิตในใจไม่ต้องการให้จิตเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำ น, นาจกิเลส จงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าเป็นคนใจต่าคนเราเมื่อ จ, จิตใจมันต่ำแล้วยกขึ้นมาได้ยากจิตถ้าหาว่ามันหลงไหลไปตามความโกรธมากก็เรียกว่าตาัำหลงไหลไปตามความโลภความอยากได้เกินไปก็เป็นความตำ่ำหลงไหลไปตามความลลงลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญเอาความสงบเยือเกเย็นไม่ได้ จึงต้องอาศัยการปฏิบัติบูบชาภาว น, นาตั้งอกตั้งใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เราไปช่วยท่านตั้งใจท่านตั้งใจบำเพ็ญทานหลักษาสนาภาว น, นามาจนมาถึงวันตรัสโลดได้ท่านทําเองปฏิบัติเองทั้งนั้นหละเราก็ไม่ได้ไปช่วยท่านทําทุกจริงทุกอย่างนั้นคือว่าเป็นการฝึก ผลอบรมจิตใจของตนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความสามารถอาจหารขึ้นมาในจิตใจของตนการที่จะไปโู่ความทุกข์ทุกภัยในโลกในวัฏสงสารนั้นไม่ใช่ผู้อื่นจูงจะูกมมันเป็นการประกอบกระทมของตัวเอง ให้กลองกับาศาสนาธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนว่าให้ใจสงบตั้งมั่นกดตั้งใจนึกตั้งใจเจริญเมื่อได้เวลาแล้วโดยเฉพาะเราโยที่ผู้บวชแล้วโยที่วัดก่อนจะหลับจะนอนก่นนั่งภาวนาโยที่บ้านก่อนจะหลับจะนอนก็ไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนา ให้ใจสงบระ ง, งับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจงค่อยหลับค่อยนอนแต่ว่าตอนแรกๆที่ใจคนเราไม่คุ้นเคยกับภาวนาก็มันก็เกิดความเบื่อนายขึ้นมาเป็นธรรมดาของบุคคลที่เรายังไม่เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วการนั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องศุกเรื่องสบายใจคนเราถ้าสงบประงับแล้วก็สบายไม่เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามาณทิตติเพราะว่าใจคนเรานั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันมีเต็มอยู่ในหัวใจ แต่เราก็มาเห็นว่าเวลามันลุกขึ้นมาในใจของเรานะ่ะมาเข้าใจว่ามันเป็นในเวลานี้มันเหมือนกับว่าไฟเน่ยมันเป็นเท้าเป็นฐานมันร้อและอุอยู่ในเท้าฐานถ้าเกิดมีเชือ เ, เชิงเชือไฟอะไรไปตกใส่มันก็ลุกฮือขึ้นมาไม่บ้านไม่เดือนก็ได้ กิเลสในใจของเรานี่แหละถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาไม่ทําความเพียรละกิเลสในใจนั่นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อมันมีอยู่เป็นเชื่อเพลิงเชื่อไฟอยู่ในใจแล้วมันก็ดิ้นด้วยอำ น, นาจของกามาตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหามันว่าวุ่นไปหมด พระจิตไม่สงบพระพุทธเจ้าพระองค์เจียงสอนพุทธบรีสัตสาวกทั้งหลายทั้งคฤหัสถและญาตโยมเทวันดาอินรมท่านสอนให้ตั้งใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้วันไวสันสะเทือนไปด้วยอารมณ์ใดๆทางนั้น แม่พระองค์เองในวันที่จะได้ตรัสโลเป็นขัตสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าขึ้นในโลกไม่ใช่ว่าพระองค์เกิดมาแล้วก็เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าเลยทีเดียว <c oughs> พระองค์ไปบูชกระเด็ดออกบรนป่าเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าในเขาป่าหิมาภานภูเขาอินเดียเขาหิมลาลัยถ้ำกูหามีที่ไหน ท่านไปแสวงหาภาวนาหมดทั่วหมดประเทศอินเดียกับวันไหนอายในหกปีคิดดูว่าบำเพ็ญมาขนาดนั้นพระองค์ยังมาบวชแล้วแทนที่จะให้ได้สำเร็จง่ายๆก็ไม่ได้โยอย่างนั้นหกปีจึงมาถึงท่ามกลางแห่งประเทศอินเดียที่ว่าต้นไม่พอ ใกล้ลิมแม่น้ำเนลันฉละเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วก็ชอบอกชอบใจเือว่าตามประวัติว่าต้นโพต้นนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าประโสนิเกิดรูกกายพระองค์เกิดรูกกายประโสนีนั้นต้นโพต้นนี้ก็พลิดอกออกผลจากเมล็ดขึ้นมาเป็นต้นโพ ภายในสามสิบห้าปีต้นโพกอเป็นล่มเงาเงาใหญ่โตพ ร, ระองค์เสด็จมาถึงก็ชอบใจจะนั่งภาวานาให้เด็กกลับตะลุที่ตรงนี้แหละเมื่อฉันบินสบายกเวยอาหารแล้วพระองค์ก็ไปอยู่รอบๆ บ, บริเวณล่มไ้นั้นเพราะว่ามันล่มเย็นดี พอเดมีแขกเครี่ยงโคมาเห็นเข้าก็มาเข้าใจเอาเองไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าของเราเลยแค่ก็คิดว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แนๆ่ๆตั้งแต่เท้าจนบ่ายจนจวนจะค่ำแล้วก็ไม่หนีไปที่อื่นเห็นยืนเดินนั่งอยู่ตามแถวนี้แขกเกลี้ยงโคอินเดียคนนั้นก็เกิดศรัทธาว่า เราจะมีอะไรช่วยพระหรือสีตรมนี้ก็ได้ความว่าฤดูเดือนหกเผ่นมันเป็นฤดูฝนพื้นแผ่นพื้นแผ่นดินก็ชื้นไปด้วยน้ำเพราะฝนตกมามากแล้วจึงเลสัทธาไปเกี่ยวเอาญ้าคามาแปดกำา อ, อกมาถวายพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้ตัดสุลูก แท้ต้องการจะให้ท่านปูนอนแต่พระองค์ก็รับเอายาคาทั้งแปดกรรมนั่นมาแล้วว่าเราจะเอายาคาทั้งแปดกรรมนี่แหละปูนั่งสมาธิภาวนาให้เดิตสละลู้เป็นสรพพุตธธิเจ้าให้ได้จึงเลือกสถามที่ภายในบริเวณต้นไมโพนั้นว่าด้านไหนเป็นมงคล พระองค์ดด้านทิศเหนือก็ยังไม่เหมาะดีทิศ ต, ตะวันตกก็ยังไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะเมื่อมา ด, ดูาทิศ ต, ตะวันออกเห็นว่าเหมาะดีคือว่าเชญเช้าเข้าตรู่งก็จะมีพระอาทิตย์ออกด้านนี้ทุกวันทุกวันพระองค์ก็เอาญาตคขาทั้งแปดกรรมนั่นปู่าลงไป สลับ ก, กันไปสลับ ก, กันมาหมดทั้งแปดกรรมในด้านทิศตะวันออกก็ไ ม, ม่พนั้นเมื่อพระองค์โอเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิภาวานาในที่นั้นด้านทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเนี่ยคือเอาขา้ต้ขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับข า, า้า้ เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาบทภาวนาของพระพุทธองค์ในเวลานั้นพระองค์เลือกได้ลมหายใจเข้าออกพราะลมหายใจเข้าออกนี่มันสแสดงอยู่เวลาสูดลมหายใจเข้าไปเย็นสบายหายใจออกมาก็สบาย พระองค์ก็เอาอุบายคำว่าลมหายใจนี่แหละภาวนาเราวังจิตใจของท่านไม่ให้ออกไปนอกจากลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตใจของเธออดเรียกว่าอานาปานุสติกรรมฐาน ระวังเอาลมหายใจมัดจิตใจจนอยู่แน่วมั่นคงสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดจิตใจไม่ฟุ้งเฟ้อเหอเหมิมด้วยเหตุการณ์ใดๆน้ำประทายใจประพุทธิจ้กก็เย็นสบายเรียกว่าสมถกรรมฐานตั้งมั่นดีแล้ว พระองค์ก็จเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้เห็นร่างกายจิตใจตัวตนสัตว์บุคคลตลอดจนไปถึงผืนแผ่นดินท้องฝ้าอากาศดวงอาทิตยพระจันทร์ภูเขาอะไรก็ตามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์ทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดขึ้นเชื่อว่าสังขารทางหลายมีความไม่เที่ยงทางนั้นจะเป็นรูปสังขารตัวตนคนก็ตามสัตว์ก็ตามอะไรก็ตามมีโลกมีนามมีกายมีใจและ <c oughs> มันต้องมีมีทุกขอย่างนี่แหละองค์กรภาวนา จนเห็นแจ้งว่าร่างกายตัวตนของเราของเขาของใครก็ตามมันตกอยู่ในลักษณะทง้งสามประการอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกข์ขังคือมีแต่เรื่องทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตหลงมายึดเอาถือเอาให้เกิดความหลงไปอีกไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อพระองค์กำหนดอย่างนี้ได้จิตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างไม่หลงไหลไปตามลูกตามเสียงปิ้นรถโธทพระธรรมาลมในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสสลู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธียาลากิเลสลาคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคืนวันนั้น พร้อมทางวาสนาอาจินกิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดแล้วก็พิเศษกว่าภาษาวกลูกศิษย์ของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นเชื่อว่าไม่ว่าองค์ใดมาตัดกเนแล้วพิเศษจะหัวเลาะเฮาเหมือนคนธรรมดาเหมือนพระสงฆ์ธรรมดาไม่ไม่มี ถ้ามีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มประโถดคือว่าถ้ามองดูหน้าของพระองค์แล้วเป็นยิ้มแต่ไม่มีเสียงหัวเราะยิ้มแสดงยิ้มแย้มแจ่มใสพระอานนท์พุทธะอุปทาก็โทนถามได้เรื่องได้ลาวขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนคือว่าอันนี้แล ว, ว่าวาสนาพระองค์เลิกได้ละได้ การเอยแพ่พระพุทธศาสนาของพระองค์นั้นเมื่อพระองค์ได้ตัดสู้แล้วก็ไม่นานที่เราเรียกว่าวันอาสาหะบูชาวันเข้าพรรษาเป็นการยืียนทียนระลึกถึงพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดปัญจวกิกจีหรือสีสัง้าให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพาน เี่เมืองพาลานาสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาขณะนี้ก็มีวัดไทยเราอยู่วัดหนึ่งแต่ว่าได้แขกเป็นเจ้าอาวาสเป็นมาอยู่เมืองไทยกลับไปอินเดียก็เลยหลวงพ่อพระโคเป็นก็สร้างวัดให้นั่นทีหนึ่งได้พระแขกเป็นเจ้าอาวาส